อรหัตตุสมาสัมบุตตะนะโมตัสสะภะวะตุอรหัตตุสมะสัมบุตตะนะโมตัสสะภะวะตุอรหัตตุสมสัมบุตะานสติเลสาจะสุขังเบรนัสติอิติมาจะตุารักขาสปะจะวิปัสนาติ กิมัรสะธรรมะปริยัติสะอโทสาทายสมันเตหิตาภิจังโซตัปโตรีน้ำบัตดนี้จะได้บรรยายธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ่ก่อนอขอแสดงความยินดีและอนุโมทนาในความตั้งใจดีของท่านผู้จัดรายการเส่งเปิดโอกาสให้อาต ร, รมภาพได้มาแสดงธรรมเพื่อเป็นการรับสาจารีตประเพณีของพระบุรภาจารย์ของเรา พระบุรภาจการของเราที่มีบทบาทและมีความสำคัญซึ่งนำความเจริญทางปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมมาสู่วัดนี้รวมทั้งภาพอีสานทั้งหมดได้แก่เจ้าพระคุณโอบาลีคุณโอปามาการสิริจันทูจัน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 เป็นเกษตระรผู้ใหญ่เป็นท่านนําและท่านผู้นี้ทายล้างได้รับสมณศักดิ์อยู่ในระดับสูงถึงขนาดรองเป็นเจ้าคณะรองสมเด็จเป็นเจ้าคุณท่านตรมเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีใครที่ได้รับสมณศักดิ์สูงส่งเหมือนอย่างพระคุณท่าน เมื่อท่านมรณ ะ, ะาภาพไปแล้วชาวอีสานซึ่งเป็นลูกหลานมักจะพูดถึงท่านว่าเจ้าพระคุณในโกรธหมายถึงว่าท่านมรณ ะ, ะาภาพแล้วได้รับพระราชทานสูตรเป็นเกียรติยศเป็นองค์แรกของภาพอีสานท่า <c oughs> <c oughs> นถ่ายหลังท่านเจ้าพระคุณองค์นี้ลายลูกติดองค์สําคัญสององค์ เจ้นหนึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จสมหารวีระวงศิตสมหารีจระซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดนี้และเป็นสมเด็จองค์แรกของภาคอุสาหแล้วก็เป็นสังพนายกองค์แรกของคณะสงฆ์ในประเทศไทยสมัยรัชธรรมนลนสงนี่องค์หนึ่งและอีกองค์หนึ่งคือพระอาจารย์เสากันตะศีโล พระอาจารย์สาวสกปัญจีโลเป็นพระเจ้าละซึ่งสนใจในฝ่ายวิปัสนาภุระดำเนินชีวิตในทางด้านปฏิบัติสมถะสมถานในวิปัสนาสมถารโดยตรงโดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการปกครองโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเจ้าพระคุณ เล่าบาลีกโนะมาจานตริจันโทจันนับว่าเป็นดวงประจีตแก้วของข้าอุสานอกจากจะนำการศึกษาทางสายปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมนำความเจริญไปสู่ภาคอุสาในทางด้านชาญนลศึกษาแล้วก็เย็นยังได้นำหนังสือไทยไปตั้งสอนที่ วัดสุปัตนาลามจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแห่งแรกหลังจากนั้นชาวไทยอีสานก็เริ่มอ่านหนังสือไทยออกประเขียนหนังสือไทยเป็นแล้วก็ได้ส่งคนรบุตร้ามาศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมในกรุงเทพฯรมหานครมากขึ้นทุกทีทุกที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 แต่ความจริงสมภ า, านต้องสายอาจารย์มั่นอาจารย์เสานี้มีมาก่อนแล้วํำเนิดคณะธรรมยุทธ์ในจังหวัดอุบลเกิดขึ้นโดยคณะสมฐานโดยเจ้าพระคุณพระอริยกวีอ่อนซึ่งได้ถูกสมเด็จสมมหาสมณเาจา้ากลมพระยาวะจิรยานวโลลรรสไปประดิษฐานคณะธรรมยุทธ์ลงที่วัดตีอุบลรัตนารามขนองค์นี้ได้น ปริยัญิธรรมและการปฏิบัติธรรมไปเผยแพร่ตามแบบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สี่และเราก็เริ่มมีพระกรรมฐานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาช่นมาภายหลังลูกสิทธิ์ของเจ้าพระคุณองค์นั้นคือพระอาจาราาย์ศรีทาชยศสีโสซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปุรภารามจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นผู้หนักแน่นในพระกรรมฐาน ได้ปฏิบัติสมานอยู่เงียบๆโดยลำพังองเดียวโดวยไม่ได้มีการเผยแพร่ให้กว้างฝังออกไปแต่ท่านมาภายหลังนี้ท่านเจ้าพระคุณอบาลีได้ศึกษาการปฏิบัติสมานในสำนักของอาจารย์สีธาและเจ้าคุณตะอริยาสาวีอ่อนแล้วก็ได้มาศึกษาพริยติธรรมใน ก, กรุงเทพรมหานคร ได้ข่าแ ว, วแววแววว่าในตอนต้นไปพำนักอยู่ที่วัดที่ชัยญาต์ธนบุรีแล้วภายหลังก็มีบัญชาให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดพลมณีวาดได้มาจัดการศึกษาการปฏิบัติในวัดนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสมัยที่ท่านเจ้าพระคุณอุบาลียังทรงมีชีวิตอยู่เชื่อเสียงเกียรติยศในการแสดงธรรม เลการแก้ปัญหาธรรมต่างๆปรากฏว่าท่านเป็นผู้ชาญฉลาดในการให้ความรู้ทางด้านปริยัติและปฏิบัติดังฉะนั้นในยุคหลังๆนี้ท่นานเจ้าพระคุณองค์นี้ได้มาได้ลูกศิษย์ผู้ใหญ่สององค์คือท่นานเจ้าพระคุณสมเด็จ ส, สมหาวีระวงศ์ติสมหาเถระท่านองค์นี้จัดการปกครองการศึกษาข่างสายปริยัติธรรม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 ดังพุทธภาสิต ท, ที่ได้ยกขึ้นในเบื้องต้นว่าพุทธานุสติเมตตาจะเป็นต้นอารักษากรรมฐานคือกรรมฐานที่พึงสงวนรักษาไว้เป็นข้อปฏิบัติมีอยู่สี่ประการคือหนึ่งพุทธานุสติและเล็กถึงกุณของพระพุทธเจ้าสอง อ, อ, อสุภาธรรมฐานที่เจรนากายให้เห็นเป็นของอสุภะ เป็นสิ่งที่น่าเกลียดโต้โคปฏิกูลสามการเจริญเมตตาสี่มรณัสติการละเลิกถึงความตายอันนี่เป็นหลักกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าดังกล่าวมานั้นได้ยึดเป็นหลักปฏิบัติอันนี้เป็นหลั ก, รร ก, ลาากปฏิบัติ ก, ร ร, นนกรรมฐานที่มีอยู่ในคำีประธรรม พุทธานุสติการและเสื่งคุณของพระพุทธเจ้าตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาหรือได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านแนะนำตั้มสอนหมายถึงการเจริญพุทธคุณเช่นอย่างเราทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นเล่ากล่าวคำว่าอิสิปิโสกัตวาอาระหังสัมมาเป็นต้นอันนี้เป็นการเจริญพุทธคุณ เป็นการเจริญพุท ธ, ธารุปสติด้วยบทสวดมนต์และอีกอย่างหนึ่งการนึกพัณ น, นาคุณของพระพุทธเจ้าโดยยึดเอาพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่สามประการเป็นหลักเพื่อหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอดด้วยพระองค์เองคือรู้อริยสัจจะทำทั้งสี่ทุกสมุทัยในโลดมรรคแล้วสอนบุคคลอื่นให้รู้ตามด้วยอันนี้เป็น ป, ปัจัญาคุณ พระคุณประการที่สองพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสน้อยใหญ่ทั้งปวงแม่กิเลสเท่าผู้ลีไม่มีเหลือติดอยู่ในพระไถยของพระองค์อันนี้เป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณเมื่อพระองค์พร้อมด้วยพระคุณทั้งสองประการดังที่กล่าวมาพระคุณที่สามคือพระองค์เป็นผู้มีพระมหากรุณาที่คุณมีพระไถ่กว้างฟางเผื่อแผ่ แม้พระองค์จะบรรลุคุณธรรมเสวยวิมุตติสุขแล้วก็ยังไม่ทรงเจนแก่ตัวยังทุกอุตระสละความทุกข์ยากลําบากเห็ดเหนื่อยส่วนพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาโปรดเปในสัตว์ให้โลดจับบาป ค, คุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์และมีผู้ปฏิบัติตามได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามอย่างพระองค์มีจํานวนไม่น้อยอันนี้เป็นพระมหากรุณาที่คุณ พู้ที่ทรงตร้ามด้วยพระคุณอันใหญ่สามประการดังกล่าวมาเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจา้าที่นี้บทปฏิบัติเกี่ยวกับการเจริญกรรมฐานผู้ ด, ด้วยการเจริญพพุทธานุสัิจิตตาแมแบบอากที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนท่านก็ให้กำหนดล้ลลี่จิต แล้วกป็นลักบริกรรมภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธการบริกรรมภาวนาพุโทโธเนี่ยเป็นโอบายอย่างหนึ่งซึ่งหาสิ่งให้ติด ใ, ให้จิตของเราเ ย, ยึดมั่นจิงอยู่ในบางครั้งพระพุทธเจ้าสอนธรรมะให้ปล่อยวางให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางกิเลส ต, ตัณหามานะทิสติ แต่อบายวิธีการปฏิบัติสมถานนั้นต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งให้จิตของเราติดอย่างเหนียวแน่นเช่นคําว่าพุโทโธเป็นต้นวิธีบริกรรมภาวนาพุโทโธท่านแนะนําให้เลิกพุโทโธไว้ที่จิตเอาจิตไว้กับพุโทโธด้วยความตั้งใจประทับประคองจิตให้เลิกพุโทโธอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่เรานึกพุโทโธไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นแม้แต่คําว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจิตจะโล่เมื่อไรจิตจะสว่างไม่ต้องไปนึกหน้าที่มีแต่นึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่างเดียวเนิกจนกระทั่งจิตมันคล่องตัวคล่องขนาดไหนคล่องขนาดที่เราไม่ได้ตั้งใจจิตของเรานึกพุโทโธเองโดยอัตโนมัติ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 จะเป็นใครก็ตามขะเนตพุทธโธคำเดียวตลอดวันยังทำติดต่อกันไม่ขาดสายจนไม่ว่างเว้นจิตของท่านจะไม่มีโอกาสส่งกระแสไปสร้างบาปกรรมอย่างอื่นเพราะจิตอยู่พุทธโธอย่างเหนียวแน่นแล้ว <c oughs> เมื่อจิตอยู่กับพุทธโธอย่างเหนียวแน่นพุทธ า, ษษษษาลุกสติการแล้วเล็งถึงคุณของพระพุทธเจ้าเริ่มจะได้ผล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 ความสงบของจิตนั้นจะไม่เกิดขึ้นย่อมเป็นไปไม่ได้อันนี้ตอุบ่ายขั้นต้นแห่งการบริกรรมภาวนาพุทธโธหรือพุทธานุสติทีนี้เมื่อผู้มาบริกรรมภาวนาพุทธโธแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าจิตของเราสงบโดยธรรมชาติของจิตในเมื่อนึกอยู่กับสิ่งสิ่งเดียว นานๆเข้าจิตย่อมติดอยูกับสิ่งนั้นในเมื่อติดอยูก ok ับสิ่งนั้นย่อมเกิดมีอาการสงบความสงบที่จะเป็ปรากฏในขั้นแรกคือความเบากายความเบาใจถ้ากายรู้สึกว่าเบาเบาสบายสบายใจก็เบาเบาสบายสบายก็แสดงว่าจิตของเรากําลังเริ่มจะสงบแล้ว ทีนีต่อจากนั้นเมื่อเกิดมีกายเบาจิตเบากายก็สงบจิตก็สงบในเมื่อกายสงบจิตสงบสิ่งซึ่งเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติคือนิพพานฆ่าก็ค่อยเบาลงพอหลังจากนั้นเมื่อจิตเกิดมีความสงบ ก, กันจริงๆแล้วปีติและกามสุข่็เกิดขึ้นในเมื่อปีเตะความสุขเกิดขึ้นในจิต เจตก็ทอดถอนอยู่กับปีติและความสุขนั้นลืมทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องอื่นเจตก็มุ่งตรงต่อความสงบเป็นลำดับเริ่มต้นแต่ทนิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นลำดับลำดับไปก็แสดงว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบกายคนจิตคนกายคล่องจิตคล่อง เมมันคล่องตัวทุกถิ่งทุกอย่างคร่อบหมดทุกถิ่งทุกอย่างเพราะในขณะนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่ามีความสบายอย่างมากตางคีเสอนั่งสมาธิอยู่ตลอดคืนอย่างรุ่มถ้าจิตไม่ถอนจากสมาธิอันนี้คือผลที่จะเกิดขึ้นในการภาวนาด้วยบริกรรมภาวนา <c oughs> แม้แต่เราจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นเมื่อผลเกิดขึ้นก็มีลักษณะอย่างเดียวกัน บริกรรมภาวนาเนี่ยในขั้นตน้นเรานึกถึงบริกรรมภาวนาเรียกว่าวิจตกเมื่อจิตจดจ้องอยู่กับบริกรรมภาวนานั้นไม่ราบจากกันเรียกว่าวิจารณ์ความดูดดื่มของจิตกับบริกรรมภาวนาซึมซราบเข้ากันแล้วกเกิดมีความอิ่มอกอิ่มใจเรียกว่าปีติในเมื่อปีติเกิดขึ้นสุดันเป็นผลผลปล่อยได้ก็ตามมา ในเมื่อปีสี่เลยสุกเป็นเครื่องเลี้ยงจิตเจตก็ย่อมดำเนินไปสู่ความสงบเลื่อยไปจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิทีนี้สมาธิมี 3, สามขั้นตอนหนึ่งคันิกาศาษาษาษา 2, าสมาธิสองอุปจารสมาธิสามอัปปนาสมาธิคันิกาศสมาธินั้นเราหมายออกกันเพียงแค่ไหนความสงบปั๊บแว้กเพียงนิดหน่อยหรือมีแสงปรากฏปั๊บแล้วก็หายไป นั่นแสดงว่าจิตสงบนิดหน่อยอันนี้เรียกว่าคณิกาสมาธิเมื่อจิตสงบนิ่งว่างสว่างลงไปแล้วจิตยับยั้งอยู่ในความสงบได้ลานต่อสมควรซึ่งเป็นสิ่งที่สเสศดเข้าไปใกล้ต่อความสงบนิ่งความรู้สึกว่ามีลมหายใจปรากฏอยู่ความรู้สึกว่ามีกายก็ปรากดอยู่แต่จิตอยู่ในลักษณะที่มีสีสีในความสุขตลอดเวลา อันนี้เรียกว่าจิตอยู่ในอุปจาระสมาธิทัานจิตละเอียดซิ่งเข้าไปกว่านี้ปีติและความสุขหายไปแม้แต่กายซึ่งมีปรากฏดอยู่ก็หายไปด้วยทุกสิ่งทุอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวและจิตรู้อยู่เฉพาะที่จิตอันเดียวเท่านั้นไม่มีอาการแห่งความรู้สึกและคิดใดปรากฏขึ้นไม่รู้เรื่องภายนอก ตายก็ไม่มีลมหายใจไม่มีมีแต่จิตดวงเดียวล้นอ้วนิ่งสว่างสวัยอยู่อันนี้เรียกว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี้เรียกว่าจิตถึงขั้นสมถะสมถานสมถะสมถานที่จิตอยู่ในความนิ่งสงบอย่างนี้จิตก็ไม่เกิดความรู้จึงไม่ทำกล่าวว่าผู้บริกรรมภาวนาพุโทโธ เจ็ดได้แต่เพียงแค่ท่านสมถะกมฐานท่านว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องแต่ความจริงท่านนับภาวนาได้สังเกต ด, ดูให้ดีแล้วการบริกรรมภาวนาทุกอย่างจะทำให้สงบนิ่งลงเพียงแค่อุปจาระสมาธิเท่านั้นลองคิดย้อนหลังไปดูสิว่า ถ้าพระท่านผู้ใดเคยภาวนาพุโทโธจิตสงบเป็นสมาธิได้พอภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปก็จิตมีอาการเคลิ้มเคลิ้มสงบลงไปสว่างขึ้นมาแล้วทำภาวนาพุโทโธหายไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจึงตัดสินใจได้ว่าการบริกรรมภาวนาจิตสงบลงได้เสียงแค่อุปจาระสมาธิไม่ถึงอัตนานสมาธิ เพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนาทุกอย่างจึงทาจิตให้ถึงอัปนาสมาธิหรือขั้นสมถะไม่ได้ถ้าอย่างนั้นการภาวนาพุโทโธนี่จะได้ผลอย่างไรคราอาจารย์มีคำแนะนำในตอนนี้ว่ามเมื่อภาวนาพุโทโธทำจิตให้สงบนิ่งสว่างลงไปแล้วคำบริกรรมภาวนาหายไป เมื่อกรรมบริกรรมภาวนาหายไปแล้วไม่ต้องนึกถึงบริกรรมภาวนาอีกให้กาหนดรู้จิตที่สงบนิ่งสว่างอยู่เท่านั้นและถ้าในช่วงนี้ลมหายใจปลาบปลให้เยกเอารมณ์หายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติดูลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยอยู่อย่างนั้นไม่เข้าไปนึกคิดอะไร ความคิดว่าลมหายใจสั้นก็ไม่ต้องคิดลมหายใจยาวก็ไม่ต้องคิดแป็นแต่เพียงรู้อยู่เฉยๆเราเป็นผู้หายใจแม้ว่าทาไมไม่คิดว่าลมหายใจสั้นหายใจยาวเราย่อมรู้ในเมื่อผู้ภาวนามายึดอารมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสตินักนักเข้าลมหายใจจะเป็นสื่อนําจิตให้ดําเนินเข้าไปสู่ความสงบอย่างออาแน่วแน่คืออัปปนาสมาธิ ในความเป็นจริงในประสบการณ์เป็นดังนี้ <c oughs> ทีนี้ถ้าหากว่าโกภาวนาพุโทโธหรือบริกรรมภาวนาทำใจเลยจิตมันก็ไปสงบนิ่งนิ่งเน่งเน่ ง, นงอยู่เพียงแค่อัปปนาสมาธิไม่เกิดความรู้อะไรเมื่อใจสงบนิ่งอยู่ในอัปปนาสมาธิไม่เกิดความรู้จริงๆมีแต่สภาวะรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวแต่เราจะ ทำปัญญาให้เกิดเมื่อใดเราควรคอยสังเกตุว่าจิตถอนออกมาจากปัญนาสมาธิพอปรากฏว่ามีร่างกายเมื่อมีร่างกายแล้วความคิดก็เกิดขึ้นในเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาแล้วโคบภาวนาไม่ควรจะปล่อยโอกาสให้ทมสติตามตู้ความคิดนั้นไปเรื่อยๆ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 เราความคิดเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปกเกิดขึ้นแล้วดับไปกเกิดขึ้นแล้วดับไปมีปรากฏอยู่ในจิตตลอดเวลาผู้ภาวนามาเอาความเกิดดับของความคิดเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติในเมจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกเจตจ่อมทราบตู้และมีความรู้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นแต่ถ้าว่าเจตของเราดูแต่เพียงแค่เกิดดับเกิดดับเฉยๆไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้น โกงจิตก็อยู่ในแค่สมถัแต่ถ้าหากว่าจิตเอาความเกิดจับเป็นเครื่องรู้สติเอาความเกิดจับเป็นเครื่องระลึกนักนักเข้าจิตย่อมจะรู้ความเปลี่ยนแปลงของของความคิดเองในเมื่อกำหนดหมายความเปลี่ยนแปลงอนิจจสัญญาความสำคัญมั่นหมายว่าไม่เที่ยงย่อมเกิดขึ้นกับเ จ, บจตของผู้ปฏิบัติในเมื่อเจตสคัญมั่นหมายในความเปลี่ยนแปลง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 ในเมา่อเกิดมีความสําคัญมั่นหมายว่าไม่เที่ยงเกิดขึ้นภายในจิตจิตก็ก้าวเดินเข้าไปสู่วิปัสสนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจในขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายทรงพึงสังเกต ด, ด้วยประการอย่างนี้ <c oughs> ที่นี้ในเมื่อเรามาเจริญพุท ธ, ธาลุสติเพือทําสมาธิในขั้นต้นจนกล่องตัวแล้วเพื่อจะให้จิตของเราเนี่ยมีส ต, ติปัญญา ปฏิเสธว่าตนไปสู่การพิจารณาในขั้นที่สองอันนี้เป็นแบบของท่านอาจะอาเจ้าคุณเจ้าอุบาลีสอนตอนต้นจเจริญพุทธาโลสติเมื่อจเจริญพุทธาโลสติคล่องตัวแล้วขั้นต่อไปเพื่อจะเปิดผ่านจิตให้เกิดสติปัญญาท่านให้พิจารณาอาสุภะรมฐานซึ่งเรียกว่าอสุภังมัสส์ซึ่ง <c oughs> ห, หมายถึงการ พิ่เจรณาอาการสามสิบสองอย่างพระพิสุสงฆ์ที่บวชในพระพุทธศาสนาในวันแรกพระอุปัปายาท่านสอนโมระกรรมาฐานคือกรรมาฐานห้าท่านนำให้ว่าเกสาโลมานขาทันตาตาโจแล้วก็ว่าย้อนกลับมาตาโจทันตาหขาโรมาเกษาแล้วก็นะนําให้พิจารณาสิ่งทั้งห้าให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียตโสโกไม่สวยไม่งาม เพื่อจะให้จิตรู้ซึงลงไปถึงแก่นแห่งความเป็นจริงว่าเป็นของปฏิปูณห้าเกลียดจริงๆเพื่อจะได้เป็นอบายถ่ายถอนลาะความกำหนัดทินดีไม่ให้เกิดขึ้นขค้่นลมจิตใจเราจะได้ดยู่จนเป็นสุขในพระธรรมวินัยสืดไปอันนี้เป็นการฝึกขาดจิตให้ในการก้าวเดินไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาถ้าว่าใครจะสามารถกำหนดพิจารณาไปจนคบอาการสามสิบสองก็ได้ ในท่านนี้ท่านสอนให้พิจารณาตายทั้งปวงนี้ให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งาม